เจตสิกเอย่างที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่สองเวทนาหมายถึงความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยซึ่งเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมสุ ข, ขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเจตสิกอันนี้ก็เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะ เล่าคือเมื่อวิญญาณทั้งหกนี้คือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้ความนึกคิดในใจอันไหนก็ตามเมื่อเกิดขึ้นจะต้องมีเวทนาทั้งสามอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมด้วยเสมอ